จะกระเลยหัดอุบากบดิกาด้วยการทุกท่านทุกลทุลนามที่ท่านมีโอกาสมาบางเพ็ญกุศลช้าชีวิตของตนสู่ภาวะแสวงหาความดีในธรรมะและปฏิบัติธรรมให้ซึ่งเขาไปอยู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากรรมวันที่ท่านทั้งหลายจะปราบน ม, มัสการลา ไปนั่นก็มารวมอนุโมทนาในโรงโบสถ์นี้น่ะเป็นที่ปรากฏชัดใกล้คันธีของพระพุทธเจ้าคือโบสถ์มีลูกปฏิมารรมแทนองพระพุทธเจ้าคือปฏิมากรซาประทานอุโบสถเกิดศีมาพระเจ้าทานคือสงครามของพระบางเดียดจิตเจ้าทานให้ไว้ในชั้มกลางองนั้น เม่เราได้มีโอกาสมาสวดมนต์ไหว้พระในวาระสุดท้ายที่จะนำมาตร ก, การกลับไปวันสุ่งนี้หรือคืนวันนี้ก่ตามเรได้ยังมีโอกาสมาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ถวายเป็นพระราจากรุณให้แก่สมเด็จพระศีนครินทราบุรลมราชชนนีสมเด็จย่าทุกวันและทําเป็นประจํา นอกเหนือจากนั้นชาวเต็มตั้งหลายยังถวายและไยชยพระไชยมงคลถวายเป็นแปลกุศลต่อพระบรมมหาบพิตรพระทุผ่านเจ้าโดยครองราชสมบัติราชสมบัติครบ5้าที่ประปันษาในวันที่เก้ามิถุนายนหน้านี้และวัดเราก็เลยทำมาตลอดตือาที่แปดตั้งแต่มุกราตาจามดับมาสวดธรรมจัก ถวาไว้ทุกวันที่เก้าขอประกาศที่ทานเคยมาวันที่เก้าเพื่อจะพาอีกครั้งแล้ววันที่เก้ามิถุนาย น, นจะได้สวดธรรมจักถวายเป็นประกุศลเวลาสู่โมงเชา้าถวายอาหารและบินต บ, บาทประสงองค์เนรถวายผ้าไ ต, ตรจุงนอนถวายรองใหญ่ ในวันที่เก้าสุดท้ายของการเรนาพิเศษในวันนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาให้ทราบทั่วกันด้วยวันที่เก้าสุดท้ายนั้นไม่ไม่อย่าทาตอนบ่ายทําตอนเช้าในเพนเจริญพระพุทธมนตรธรรมจักถาวายอาหารและบุญตบาทแจ่สระสง์องค์เงินแล้วก็จะได้เลี้ยงอาหาร ในเรียนจำด้วยณวัสุ้งบุรีนี้ อ, อ่ทั้งหลายจะได้ทราบวันเวลาไว้เหลืออีกสองเก้าเก้าพุทธพากับเก้านิถุนาวันสุภาของการเจนาพิเศษครบห้าสิบพรรษาเต็มแล้วก็หลังจากนิถุนาไปแล้วก็ห้าสิบดย่างห้าสิเต็มในตูสามเก้านี้เอง เราได้มาถวายเป็นถังลาจากบุกรณ์อตรวจมนไหว้พระในโรงโบสถ์ก่อนจะอำลาน้ำบัะการพระจะขอเอาโฮสึกกรรมต่อพระรัตนตรัยแต่สงเ์เถลาในเถละและพีสุนวกะก่อได้เอาโฮสึกกรรมให้โยมแล้วทุกท่านทุกลูกทุกนามไม่มีเวรไม่มีกรรม ไม่มีอะไรติดข้างหรยอติดใจแันกลับไปบ้านต่อปัึนเรียกว่าไปลามาว่า้อาโหสิกรรมเป็นหลักสำคัญของสัพเจ้าสอนมาให้เคารพนอบนอบรลบบูชาแทนองค์สมเด็ จ, จสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าก็คือราตนตรัยแทนพระองค์ที่ทททสเสด็จ ด, ดับขันปณนิพานันพระธรรมวินัยพร้อมด้วย การปฏิบัติครรตามคำสั่งสอนของพระองค์ยังอยู่ครบนั่นนก็เป็นตัวแทนไปพู้แทนของพระองค์ท่านทั้งหลายทั้งปีตุโฉงองค์เนรเอลาในเถละโยมอุบาศกบัรฑิกาก็ดีถ้าปฏิบัติธรรม่านจะเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นต้องปฏิบัติธรรมถึงจะปลาลบเห็นตถาคตได้ แล้วจะซึ้งเข้าไปในคุณของพระธรรมเจ้าซึ้งเข้าไปถึงคุณประสงค์กัจจาวกผูกและพหรืดปฏิบัติชอบแล้วเราก็ประกอบรัจนะใจอยู่ในซึ้งใจตลอดไปเ็นชีวิตรมไม่ท่านจะได้บุญจะได้คุณรประโยชน์แต่ผู้ปฏิบัติเองผู้ใดไม่ปฏิบัติผู้นั้นไม่เห็นตาสาคต ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นธรรมะปฏิบัติธรรมก็เห็นตถาคตตถาคตเพียงซีบอกมัคคามันคาให้เราเท่านั้นแต่เราเดินตามคำสอนของพระองค์แล้วนะ่ะนั่นแหละเห็นตถาคตคือการประพฤติปฏิบัติข้อของเราซึ่งเข้าไปในรส ธ, ธรรมน้อมนําจิตใจให้เข้าซึ่งในหลักพระอภิธรรมนี้ ญาติโยมหญิงโยมชายอุบาสกบริกาทั้งหลายสามารถจะทดแทนน้ำนมข้าวปอนของแม่ได้โดยการปฏิบัติธรรมพระแผนเทศสอนไว้ว่าผู้ใดจะทดแทนข้าวน้ำนมให้แก่แม่สงสร้าพระบิรรมโดยล ร, รยยปก็จำกันทสส่าท่าผิดไปซื้อหนังสือระดีธรรมมาถวายวัด แต่ไม่มีธรรมะประจําใจคายการปฏิบัติธรรมไหนเลยลจะช่วยข้าวป้อนน้ำนมของแม่ได้จะช่วยไม่ได้อย่างแน่นอนแค่ซื้อหนังสือใส่ตู้แล้วก็มาถวายวัดแล้วก็ถือว่าทดแพนคุณบารดาได้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมถึงจะได้ถึงจะคึ้งใจถึงน้าน้ำนม ข่าวปอน้านมของแม่ที่เราได้รับรถมาจากคับพาจากท้องของมารดาปัญจาสาขาก็แตกจากท้องของมารดามือสองเท้าสองสมองหนึ่งนั่งยองๆอยู่ในท้องของมารดาแล้วก็ดูดเลือดมารดากินทั้งรลกสายโลกสายสะดือให้ปัญจข า, าขาแตกออกมา จึงจะคลอดจาับพาพามารดามาจนี้การปฏิบัติธรรมจึงมีประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายมากถ้าผู้ปฏิบัติธรรมพระพิธรรมเสร็จจคัมภีร์ก็คือสร้างความดีในการเจริญชาอภิธรรมผิดเจริญสิทธิกนิพพานก็คือเจริญปติปัฐานสูญอยาโยมธรรมอยู่นะันหมัดนีนะ้จะมีประโยชน์แก่ท่านเอง ประโยชน์ที่จะพึงได้ของทานนั้นท่านจะซึ้งน้ำใจของแม่รู้จากคำว่าน้ำใจของแม่น้ำใจของพ่อเราจะได้ไม่ยอพอใจจะได้สราความดีให้ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตในชั้นปริยภพภายเบื้องหน้าสึกต่อไปผู้ใดปฏิบัติธรรมแล้วผู้นั้นจะเห็นแม่เป็นสีหลักแม่พระคงคาแม่ประภายชายพัด จะรู้หลักพระพิธรรมัมเร็จจะคำพีเราอยู่ในครับพาพ่อแม่เดิอดูดเลือดแม่กินทุกวันออกมาแล้วก็ดื่มน้ำนมแม่ทีลยดทิลยาดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งหนึ่งขวดแม่โค้งขาวสามสวันสามสขวดแนละ้วหนึ่งขวดปี12สองเดือนลองคูณดูซิว่าเราคืนน้ำนมแม่ไปเท่าไหร่ บางคนก็บอกว่ามาเด็กตินน ม, นมแม่อยากจะเรียนถามมาอยู่ในท้องอ่ะดินเลือดในอกของแม่หรือไม่ตอบไม่ได้หาคําตอบไม่ได้เลยพระพุทธเจ้ามันเปรียบเทียบแบบผู้ใดสร้างพระพิธรรมเอาไว้ในจิตใ จ, จแล้วจะรู้ว่าแม่เอ๋ยแม่พระทลอร์นี้เจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังสังขาตังโลกัาวิถุแม่พระพายชายพัท แม่พระคงคาแม่พอลนีแม่ก็ะปพลดินน้ำไฟลมนั้นก็เป็นแม่เราจะเห็นซึ้งเข้าไปว่าอ๋อแม่จ๋าลูกกโตกมาแม่ก็เอาพระคงคาแม่พระคงคาก็อาบทาลาให้เราสะอาดลาประชามิีแม่หิวน้ำอภขวารีสร้างความดีในพระคงคา แม่พอเอาน้ำมาให้ลูกดืม่มให้มันชื่นใจเราจะถ่ายมูดอาจมลงในแม่คงคาแม่คงคาก็ไม่เคยว่าเราเราจะถ่ายอิสละปาดสาวะลงในแม่ธรณีแม่ธรณีก็ไม่เคยว่าอะไรกับเราลูกร้อนลุ่มลุ่มใจมาทั้งนอกทั้งในแม่เอ๋ยแม่แม่เจ้าแม่ใจ ก็จะเอาพัดมาวีให้ลูกเดยละเอียดเยือกเย็นเห็นใจตลอดเลยตามนี่คือประพิธรรมแล้วปฏิบัติทำนี้ท่านจะเห็นอย่างนี้ถ้าท่านทําปฏิบัติไม่ได้จะจะมองไม่เห็นท่านจะไม่เึิงใจต่อรสธรรมอันนี้ต่้งหลายจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นสาวจะเป็นแค่ไหนก็ตามท่านจะไม่เึิงต่อรสธรรมอันนี้ท่านจะไม่รู้เลยว่าคุณของแม่เป็นประการใด คุณของพ่อเป็นประการใดคุณแม่ไม่เท่าไรคุณพ่อไม่เท่าไรคุณน้ําคุณไฟคุณลมไม่เท่าไรไม่รู้เลยนะไม่เข้าใจด้วยแต่แล้วปฏิบัติธรรมเนะนี่ยน้ําตาจะไหลออกไหลด ต, ตื้อตึกวาดคิดถึงแม่ก่อนเสมอประธานทั้งหลายก็ประทานอาภัยยังเป็นเด็ดอย่าอย่าเป็นเด็ก ด, ดูเที่ยวเซ่อชวนฮวนหา ไม่รู้เลยว่าพ่อแม่จะมีเงินมีใข้คนใดผิวพอมาบ้านแม่ก็เอาข้าวให้รับทานตลอดรายการเราไปเป็นปัวเป็นตนเข้าบ้างไปเป็นพ่อเขาบ้างไปเป็นแม่เขาบ้างถึงจะรู้นะว่าพ่อแม่เนี่ยหามาได้ความยากเปวดความลำบากเราคลอดออกมาพ่อแม่มีเงินมีทองแล้วนั้นใช้กันอย่างเป็นเบี้ยใช้กันไปหน้าสุดา แต่ก่อนที่จะพ่อแม่จะมีเงินมีทองมากมายก่ยกองนั้นต้องได้มาจากความจนคนเราจนแต่ผู้ที่เห็นก็ได้ว่าคลอดมาจะท้องแม่ผ้ากัะผืนมีไม้ยแหวนเพชรสักวงมีไหมนาฬิกาสักเรือนก็ไม่มีเลยจนจริงๆแล้วก็มาหาการข้างนอกทั้งนั้นบางครั้งบางแห่งบางบ้านบางฐานะไม่เหมือนกัน บางคนก็ไม่มีเลยจนจริงๆมาทำมาฮัก ส, สร้างความดีสวดมนต์ไหว้พระด้วยการสร้างฐานะด้วยวิเยษนทุขมัดเจตสิสร้างความเพียรผยินใจสร้างตัวให้ดีเอาดีเสียให้ด่แาแย่ชัยก็ร่ารวยขึ้นมาเราเกิดมาไม่มีบ้านมีช่องรูก็เป็นบ้านทงงองพผอมแม่เขาเราก็มาสร้างกันขึ้นมีครอบมีครัว มีผัวมีเมียก็มาตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาต่อไปแล้วก็มีลูกมีหลานมันพอ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ทำมาให้ถึงกับเราณปัจจุบันน่นะตาท่านั้งหลายปฏิบัติธรรมได้ข่านจัน้ร์ตาล่วงนะจะคิดถึงแม่คุณระบุพิดารุ่นยุคใหม่สมัยเกี่ยวเสื้อสวนหวนหาตลอดเลยการวันนี้มีอยู่ลายจะพบหรือไม่ไม่ทราบ แม่มาตามว่าลูกสาวว่าจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพรวันแต่ได้ทราบว่ามาดูกลัวเป็นทีไม่มีซะแล้วแฉสวนชวนหาไปที่ไหนก็ไม่ทราบนี่ไงยังโกรหกกับพ่อแม่ด่าฉิงขนาดนี้ผู้ที่มีพระธรรมประจําใจจะไม่พูดเท็จจะไม่พูดส่อเสียดจะไม่พูดคําหยาบจะไม่พูดเพื่อเจอดูตรงนี้ตลักปฏิบัติเขายังพูดเท็จ พูดโกหกหมดแท็บพูดสอเสียดมินคากาเล่และพูดคำหยาบคายพูดเพื่อเจอจแสดงว่าปุ่นนั้นไร้คุณค่าของชีวิตไม่มีคุณธรรมไร้ค่าขาดชีวิตชีวิตจะเป็นหมันทรัพยากรของชีวิตก็จกะแตกเหลวแหลกแตกลามไปในสารปนหลุกนี้ไม่มีอะไรที่ติดตัวท่านเลยนะสาทุกคนพุทธบริษัททั้งหลาย ปัจฉ ส, สุนกรใจปฏิบัติได้ดีมีปัญญายืนหนอ่าห้าครั้งทําให้ได้ยังไม่มีใครได้เลยนะถ้าด้เราจะรู้เชิงทิ่งกฎแห่งกรรมจากการกระทำทุกตอนปฏิปทานสี่กายานุปัสน า, ก า, า, นากายจะยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายแหลกขวาพูดใหญ่ขาตั้งสติไว้มัม้ยกิริยามารยาทเราก็ไม่รู้ว่าเราน่าดูหน้าพัฒนาชมไหมเราไม่รู้ตัวแล้วว่ามีมารยาบหรือไม่แต่คนอื่นเ้าเห็น เขาบอกนี่าคนดีเนี่ยศีลธรรมารยาชั้นมารยาวาจาสามหาวพูดจาพาทีเอาดีไม่ได้คนอื่นเขาเห็นแต่เราไม่เห็นตัวเองเราไม่เข้าใจตัวเองขาดฉัจะขาดตัตวาจาไม่มีความจริงเลยในจิตใจคนที่ขาดความจริงฉัจะวาจาแล้วจะทำมาสิไม่ขึ้นจะเรียนหนังสือไม่สาเร็จ ทำอะไรก็ไม่ถอ ด, ดผลแต่ประการใดขอกล่าวคําอันนี้ไว้บางท่านก็ไม่เข้าใจมาปฏิบัติการติ้มซิมจำจำ ม, มาเอาเนื้อเอาไตแล้วก็มาคุยกันมานินทากาันมาใส่ลายปาสีกันในที่ห้องกรรมฐานมีแบบท่านจะสร้างบาแครงเวรสร้างกรรมกลับบ้านทั้งไปท่านจะเอาดีไม่ได้หน้าที่งได้ทรัพยากรชีวิตก็จะหมดไปอันใดเล่าจะเป็นทรัพ อะไรแล้วจะเป็นชื่อเสียงอะไรแล้วจะมีความรักในสิตัวของท่านบ้างอนุบาลโกมปฎิกาจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็สามขอฝากไว้ถ้าทำปฏิบัติได้จะน้อมไปหมดจะน้อมเข้ามาหาธรรมจิตใจจะอ่อนน้ อ, อนมถ่อมตนเสมอต่อท่านผู้ใหญ่จะมีการการาบไหว้น ม, มัสการพระยังหน้าลดละและภาวนา ดใจก็จะเข้าไปสู่กุศลบุญก็จะได้ผลจะเกิดความสุขความเจริญในปฏิบัติธรรมนี้มากการปฏิบัติธรรมเย่าเป็นการสร้างบุญให้แก่ตัวเองการถวายชังอัธานาหรือถวายจะถูปัะจัยกับปียพั์มันเป็นส่วนหนึ่งของการให้สงเคราะห์คนอื่นทางนั้นแต่การที่จะสงเคราะห์ตัวเองได้แล้วู้ อ, อยางช่วยตัวเองได้ไหมสงเคราะห์ตัวเองบ้างหรือเปล่าประการใด ไม่เคยปฏิบัติเช่นนี้แต่เราสงเคราะห์ตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้แล้วไม่ต่อไปช่วยคนอื่นต่อไปไ ล, ล่ผลจะมีความรู้ถึงด็อกเตอร์มีความรู้มากมายก่ายกองแต่แค่ความรู้ก็ยังเอาดีไม่ได้ต้องมีความดีเข้าไปช่วยบ้านต้องมีบรรดาเป็นผู้ใหญ่ต้องมีบริวารถึงจะได้ผลงานคนชีวิตบ้านก็มีครัวหัวต้องมีผอม ผู้หญิงก็ต้องมีนอมขนมต้องมีใช่ไข่ต้องมีมันด้านถึงที่ทําความดีถึงขัน้นมันถึงจะได้ประโยชน์แต่ท่านทั้งหลายอย่างนี้เป็นตน้นบางคนมาปฏิบรรัติทำเท่าที่ยมมาเั้งเกิดมาได้ผลน้อยเพราะมานั่งคุยมาเดินเที่ยวกันมาจะสนใจในตัวเองแต่ประการใดต้องกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทําความเพียรให้มากถึงจะเป็นหลักฐานของชีวิต ปากไม่พูดเศตไม่เค็ดฟุ้งซานเศรษไม่เค็ดนันแหละทิ้งจะเป็นสมาธิภาวนาได้แต่ปากยังพูดกันอย่างนี้เศรษก็ยังเค็ดฟุ้งซ่านนานาประการไหนเลยอยากจะมีสมาธิได้สมาธิไม่เกิดแน่นอนที่สดขอฝาผู้ปฏิบัติธรรมโดยทั่วนาะการไว้นะโอกาสนี้ด้วยกลับไปแล้วทำต่อไปอย่าเอาทิ้งเอากว้างคะ ออกไปเทความาวัดอภวัรแค่สามวันเจ็ดวันก็เป็นความฝันที่ผ่านมาเท่านี้หรือฝันมาเท่านั้นแต่ได้หาความจริงไหมคนเราจริงจังดังกว่าชายก็ก็ต้องจริงแต่ผู้หญิงก็ต้องแท้เป็นคนแก่ที่น่าบูชาชายไม่จริงหญิงก็ไม่แท้กลายเป็นคนแก่ไม่มีใครบูชาไม่มีใครนับหน้าถีอตาแต่ประกันได้ มันจะออกมาในล็อกนี้ชัดเจนมากชัดเจนเราจะอวดรู้อวดดีว่าเรามีวิชาแต่ความดีนั้นมีมังมัยมันอยู่ในจิตใจของเราจนทั้งหลายจิตใจเป็นธรรมไหมเข้าซึ่งไหมตั้งสติไว้ได้มัม้ยเอาสติไว้แนบสนิทติดในหัวใจแม้แค่ห้านาทีเท่านั้นเราก็ยังไม่สามารถจะใช้สติปัญญาได้เลยตรงนี้จะมาขอให้คติธรรม เกิดมาทั้งทีมีสติไหมเราพูดกันอยู่เสมอว่าใช้สติปัญญาพูดกันได้ทุกคนแต่เวลาไม่ห้านาทีนั้นเอาสติไว้ที่จิตใจบ้างไหมมีความหมายอย่างนั้นไหมใช้คำว่าสติปัญญาทุกคนรู้ทั้งนั้นแต่เราหน้าที่ไดสติปัญญาแค่สติตัวเดียวที่เรากำหนดจิตให้มันอยู่ที่อยู่ทาง ให้มันเกิดความรู้ซึ่งดื้นลึกหนาบานรูก้การเวลากาลเทศะกิจะะารคณะอย่างนี้ถึงจะถูกต้องจิตธมาต้องกล่าวมาเป็นเวลานา น, านแล้วที่วัติปัญญา น, นั้นเราพูดกันมากมานานแล้วแต่ปัญหามาอยู่ที่ว่าทางเอาสติมาใช่บ้างไหมให้เป็นประโยชน์ต่อการงานและหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในตจิตประจําวันของสัตว์ทั้งหลายจะมีม้างไหมอย่างไร ไม่จะนางหลับตาแล้วเลืมตาก็พูดเรื่องนั่นเรื่องมี้เท้าความหลังกันมานี่แหละขอปากคติธรรมท่านทัางหลายที่มาแล้วกว็าตามยังไม่เคยมาเลยก็ตามไปไหนป่าจะไวยอย่าป่าไปก่อนนะไม่ดีเสียต้องตาหูไปก่อนไปไหนปา่าจะไวใจอย่าเบาเรื่องเก่ามาลือ้อเือเหลือเกินมาคิกจะขอบทําไมไม่ทํา เป็นกิจกรรมปัจจุบันถึงของเราอนาคตไม่แน่นอนถึงฉลบเพลียสามอาดีตเป็นความฝันปัจจุบันนี้คือขณะ น, นี้เป็นความจริงนะเดี๋ยวนี้ได้ได้เดี๋ยวนี้ด้วยอนาคตไม่แน่นอนเลยจะจับมั่งใครมันตายจนตัดเสียตายตลอดชีวิตจเจ้าข้อคิดดีไม่ได้ไม่ใช่ความรู้และเป็นคนดีนะแต่พระพุทธเจ้าบัาบางคับให้มีความรู้ ให้เรียนให้หวัสขวายภ้าเพียงเรียนวิชาตารแต่เรียนแต่วิชาการแต่ไม่มีการปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการไม่มีการแก้ปัญหาของท่านก็ไม่ได้มีความรู้อะไรๆล่ความหมายขาดความจริงคนสุดในเลยลว่าความรู้เนี่ยจะช่วยันดาเราได้ด็อกเตอร์เท่ากันเหมือนกันแต่ด็อกเตอร์บางคนใช้ความคิดใช้ลิเริ่มตสติปัญญา จิตามาป่าแล้วว่าคนเราเนี่ยมีสติมั่งไหมแม้แค่ห้านาทีก็ยังเอาดีกันจะไม่ได้จะเอาอะไรเล่าแล้วก็ความรู้นั้นบางคนใช้ความรู้เอามาใช้เป็นประโยชน์เรียกว่าวิชาจรณะสัมปันโนวิชาตัวชอตัวเดียวเรียกว่าเรียนรู้วิชามาแล้วใช้ตัวชอเข้าไปตัวเอาวิชาเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตอนและสอ่อครอบครัวและค เ, เอาและรวม ใด้วยโ อ, อไปอ่ะเรียกว่าจารณะสามปันโหนติปิโซพัว่าวิชาเป็นจรณะประโยชน์ต่อสาธุชนนะที่เราเรียนมาด้วยความเหนื่อยยากเอามาใช้เป็นประโยชน์มั้งไหมบางคนเรียนเอามาไม่ใช้ประโยชน์เลยเป็นลอกเตอร์กับเปลูกกาเขาตลอดเลยการไม่เป็นหัวหน้าไม่สามารถเป็นนิสัยผู้นำได้คนที่มีสติอยู่ตลอดประการจะเป็นนิสัยผู้นำ จะทําอะไรก็สร้างแต่กิจกรรมให้เป็นประโยชน์ในชีวิตตลอดการประวัติศาสบางคนไม่เป็นผู้นํานิฉัยใช่ไม่ได้คนดีด้วยชั่วมันอยู่ที่นิสัยแต่คนจเจริญก็ีได้และนิฉัยจะดีทุกคนอัชยาฉใยก็จะโอบอ้อมอารีวัีก็ไปเลาะทงเท่าทุกคนวางคนไป็กลางได้ผู้จาพาทีก็มีเหตุมีผล พูดเจ็บพูจาก็มีสัจจังเวออมาตะาวาจาพูดจริงทำจริงผู้ที่ได้ธรรมะประจําจะไม่มีประเดียวจะไม่มีถัดวันประการทุ่งกับประการใดประเดียวก็ไม่มีคนนอนกับผักเดียวคนน้นกอเดียวคนนี้ก็เดีย ว, คน น, นยวคนนั้นน่ะไม่แลเหลียวเปลี่ยวกาคาชัตติไปแล้วหวังจะพึ่งตัวเองก็พึ่งไม่ได้แล้ว จะไปพึ่งคนอื่นก็แลเหลียวเดี่ยวกายพึ่งพ่อแม่ก็เท่าทะเลแกชล่ชะาแล้วจะไปพึ่งลูกหรือก็ผูกพันชีวิตลู ก, กว่าลายสาระขาเหตผลทะเลทะลักออกไปนอกสังโคมเอาดีไม่ได้เลยขอฝากท่านทั้งหลายไว้ในวันนี้โดยทุนากาันนี่แหละการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ปฏิบัติได้ผู้นั้นจะไม่มีเดียวจะฝืนใจเสมอคนที่ดีได้จงฝืนใจได้ ตามาพูดมานานแล้วไม่มีใครฟังไม่มีใครฟังไม่มีใครจําเอาไปใช้แต่ประธานได้นี่แหละหญิงทีนาเปลียนคือผู้หญิงที่ตามใจตัวผู้ชายทีนาตัวผู้ชายมัรู้จักเพลี่ยใจคนไม่เพลี่ยใจใครทั้งหน้าหน้าตัวที่ลึกหญิงไม่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมาฐานตามใจตัวเองไม่ได้มันจะเสียมันจะไม่ได้สมาธิมันจะไม่มีสติปัญญา แต่ประธานใดไม่ใชมานั่งเอายานที่โผเนี่ยโซรถยานเป็นโสดากันทั้งหมดนาพยอะได้เยอะเกินข้อนี้ยังทําไม่ได้เลยจะเอ็นทารไปอย่างนั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมนี่ยเอ็นทารตไม่ได้ต้องไปตามขั้นตอนของชีวิตเป็นข้อคิกของผู้มีปัญญาผู้แหลมหลักปักไปเมื่อปัญญาและวแก้ไขปัญหาคือสติสัมมชัญญมะมดุลภาวนาจะได้เพื่อนสองครองรัก ชีวิตทักษัยในในต่น อ, อการของข้อคิดในชีวิตผู้มีปัญญาคนเดียวก็หัวหายสองคนเพื่อนตายท่านจะสบายมากจะเกิดประโยชน์แก่ชีคุณท่านตลอดกาลเวลาและประวัติศาสรในนาคตการเบื้องหน้าถืบต่อไปขออนุโมทนาผู้ที่ฝืนใจได้คนที่ฝืนใจได้จึงจะดีได้ปล่อยไปตามอารมณ์ตามใจคนไม่ได้ ตามอารมณ์เราไม่ได้จะเป็นโคนเสียโคนเสียหายเป็นนิสัยที่นิสัยหัวหน้าไม่ได้เป็นนิสัยผู้นำก็ไม่ได้เลยกลาเป็นนิสัยอย่างไรก็ตามมัจยาฉายของบุคคลผู้ตามใจตนตลอดมาเห็นกับตัวตลอดในการไม่เห็นกับส่วนรวมและส่วนร่วมกันแต่ประการไดชีวิตจะอับเผาชีวิตจะอับจนชีวิตจะไม่เป็นหลักฐาน ที่เวทจำหน้าผู้ใดจะสงสารตลอดการประวัติสารดังในชี้แจงแสดงมานะปักนี้ข อ, ขออนุมโยธานาสาธุการแก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่จะกราบนมัศการลากราบไปวันพรุ่งนี้ก็ตามก็ข อ, ขอให้ปฏิบัติให้มีหลักฐานดังในชี้แจงแสดงเข้าไว้ผู้ใดถึงธรรมพู้นั้นเห็นภาษาโคตผู้ใดเห็นภาษาโคตผู้นั้นต้องมีธรรมะภาษาโคตช่วยเราไม่ได้เทียนแต่แนงแนวทาง ให้เท่านั้นถ้าเราไม่เดินเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้ผลสม่าศาสนาอย่างที่ตั้งใจมาที่ประการข อ, ขออานาจคุณบปฏิอัตนาใจอํานาจบุญกุศลทั้งหลายขอประสาทพรให้ท่านทั้งหลา ย, าลายผู้ใเคยทำผู้ชื่งในรถธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตลอดกาลชีวิตนี้ท่านจำได้ไม่เป็นมัน ทรัพยากรชีวิตนี้จะตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเรียนเรียนคุ้มขวาต่อไปเพื่อได้ผลสมฆ่าปรัชนาต่อไปขอความจเจริญรุ่งเรืองในธรรมสำมาปฏิบัติในหน้าที่ตรงมีแต่ผู้ปฏิบัติธรรมตั้งหลายโดยพุนาการขอทุกท่านทรงเจริญไปด้วยอายุวันณะสุขาภลาปะปฏิภารณระนสาสมบัติเนึเรื่องอิงปการได้สมความมุ่ง ม, มาปรัชนาด้วยการทุกข์รุ่งนาม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 ขายิกาปรลยาผู้เสียสละจับผูปัจจัยและกัติยภาพันามาถวายใท่านกลางสงุวเสุสทธะผู้เพีย์ไปในกลางบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าขายุกและขายิกาคำว่าขายุก ภายุกางานเต็นู้นเสีเละแล้วเป็นผู้ให้แล้วเป็นผู้เคลื่อแล้วเป็นผู้สร้างความดีให้ซึ่งกันแลกันแล้วเลือประภายะเลืกป ร, ระภายิกาอย่างนี้เป็นผู้ให้ผู้เสียละเลอกประภายกภายิกาเป็นต้น ต่อการให้การช่วยการเสียสลังนี้ก็เรียกว่าการบำเพ็ญทานน่นเองๆยกตัวอย่างเราจะทำบุญบ้า น, น, น, นเพราสรุปมงคลกับประสงค์ให้ตัวเองจเจริญตึกบ้านใหม่ก็ฉลองกันบำเพ็ญกุศมกันเจ้าของบ้านนั้นก็เรียกว่าทายเยสไพริกาเป็นผู้ทำบุญเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้และื่อย ได้เด็กต น, นเองแล้วก็ให้คุณฉายาวัชยกรรมกายกาเป็นต้ต่ผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาก็เรียกเ่าอุบาสกเรียกเ่าอุบาสิก า, ย อ, า, ย, ก า, ย, อายอมปฏิบัติและรับสาวไว้พึ่งศึงอุโบสถในขณะองปศากางและกรรมบวชสุดครอด จึง เ, เรือกว่าอุบาสกอิบาสิการักษาไว้ทิ่ิตใจมีความหมายอย่างนั้นอุบาสกอบสิกานั้นรักษาศีลรักษาอุเบกขก็เรือกว่าการปฏิบททัติธรรมเมตธรรมะปฏิบัติมือขาวหุ้งเท้าก็ถือว่าบวชเป็นการบวชเมตธรรมะปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติทำแล้วก็เรียกอุบาโกบริิกาแดงตนเนอุบาสกบ้างแสดงตนเป็นอบาวิกาบ้งออบ า, าบงได้รับกรรมฐ า, มม า, ามน่สมาทานศินสมาทานกรรมฐานนั่นแล้วก็เอามาประพฤติตนและปฏิบัติให้กับตรงตัวเองก็มีธรรมะมือสุขสมาธิปัญญาอยู่ครบ องการกำหนดจิตให้สติปัญญาเจริญปฏิปฐานสื่อนักป่าอริยสัจสืก็มีสูงสมาธิปัญญามีสตุสัมปชัญญะอุปนิสติยให้ได้นั้นคืกอุปนิสติยให้ได้ ด, ดีแล้วกระถือท่านเหล่านั้นมีธรรมะแล้วมีการ ป, ร ฏ, ปรฏิบัติปฏิบัติชอบแล้วเป็นมหาสุตรแห่งแล้ว นั่นก็เรียกว่าองค์ภาวนาการภาวนาเนี่ยต้องการจะให้มันกุดขึ้นมาให้ใสสะอาดในเรืงสุขเรื่องใจมีประโยชน์หลัดที่อฏิบัติทำ ม, มากไม่ใช่น้อยแต่การทําถวายข้าวทานสังฆะเวลาถวายสงฆ์ไม่จะเจาะตรงกับภิกษุรูปหนึมม่งรูปใดก็หามไม่ได้ถวายไม่ข้ามตาม่างสงฆ์การถวายสงฆ์ก็คือไม่เจาะตรง เรียกอย่าสังฆทานแต่ถวายโดยเจาะตจงเรียกอย่าบุกคลิชนทานบุคคลิชนทานเนี่ยถวายตอนเรือเดีอยและท่านเดืยอยองเดียวก็ได้บุญไม่ใช่ไม่ได้แต่ได้ไม่มากได้มากไปสังฆาทานทาไไาาให้ทานเพื่อไปเมื่อเจาะจงยกตัวอย่างให้าำเหินสร้งางถนนเปลี่วนฐาสนประโยชน์ จุด บ, บ่อน้ำหรือทะลับทานทพ่อไปแม่เจ้าทรงหรือสร้างโรงทานเป็ น, ป น, น, นต้นเพ่อปรโยชน์ุดบ่อนวพิตจ่ า, า, ร า, าสาาร้อยตระฆาเทื่อปาโยชน์รุดบ่อกระาางโรงทานให้ทานทพ่ไปทุกอย่างตลอดกระทั่งเครื่องสวิสพิมพาพรให้ทางขังทางกับจุดจันาให้ยาตะยาจก ย, ย, ยามีพกเพื่อโดยที่มาขอ ทานบางอย่างไม่ขอก็ให้ทานบางอย่างขอถึงจะให้การให้ทานนี้ก็ตามขอเสรินพรท่านคือบาเกบดิกาทั้งหลายถ้าเราให้ของเขาไม่ดีไปเราจะได้ของไม่ดีกลับมายกตัวอย่างอะตามา น, นี่เองเบือใหม่ให ม, ม่มีผ้าไกลอยู่สามไกลถวายยังตาไปแล้วก็มาสาบขอท า, านนี่มันขาด มังขาดมาจากร้านค้าน้องตากรเห็นไม่ได่าถ้าเราไปบางส ก, กุลกลบมาสื่อข้างสืดคราวก็ได้พาขาดมาทุกครั้งอันนี้ทานโดยน้ำตาทานโดยเจตนาพิ่มขัานสื่อบริจาคของนั้นต่อบริสุทธิ์ื่มต่อบริสุทธิ์ทั้งของเรื่องยัตถุ่ยพาธิต่อบริสุทธิ์ทั้งจิตใจด้วย เจตนาทั้งๆ ต, ต่อต่อบริสุทธิ์ด้วยหรือมาถวายทั้งนี้นะั้นคว่าบริสุทธิ์หมายของวัตถุทานนั้นก็ต้องบริสุทธิ์ได้มาด้วยความครอบธรรมไม่่ามารเดี๋ยวไปโกงใครเข้ามาทําด้วยความเหนื่อยย า, ากจึงบริสุทธิ์ทานที่ให้แล้วบริสุทธิ์เจตนาก็ให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนแต่ประการใดก็หลีกว่าเจตนาบริสุทธิ์ ถาหวังผลตาบแทนก็หมายธรรมจตนาไม่บริสุทธิ์ต้องการได้ของให้เป็นการแลกเปลี่ยนตป็นการค้าตป็นการค้าขายไปแลกเปลี่ยนกันตายตามวัตถุของบุคคลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นอย่างนี้เรียกยาทานปกติทานธรรมดาทานที่สูงตนานน้ำแลว้วก็ให้มาวังผลตอบพรน จะเอาไปทึ้งไปทว้างอย่างไรก็ตามใจใ้มาบริจาคแล้วก็พึ่มใจดูใจบริจาคไปแล้วพนามบริจาคนี้ก็สบายอกสบายใจหลังจากบริจาคจากแล้วก็พึ่มใจในทาการศุกษาที่ตนบริจาคแล้วได้ศะทําแล้วคานได้สะทําแล้วทั้งอดีตที่ผ่านมาเวลางนาคดาาเราก็ชลอแต่ชลา จะไปไว้เปลวไข่ประการดก็ไม่ถึงทานไว้เราได้ทำบุญไหว้ครัอดีตมตช้าตังกอดตลาดรายการปัจจุบันนั้นเราก็ดีอกดีใจขึ้นใจด้วยบุญโวยสอนที่เราทำท่าหกตนเป็นประการสัมผัสไมุ่้งบุญในุ่ึงทานถึงราภาวนาไว้จะเราเกิดมาปฏิบัติกรรมฐ า, านบาเพิ่มเกิดภาวนารักษาวเวบิดขอ งดเว้นสิ่งขั้วลาสามานทั้งหลายจิตใจก็ขายสะอาดโดยสุดทานที่ท่านถึงจะบริสุทธิ์เพอานบริสุทธิ์ที่บริสาทิ์จิตก็บริสุทธิ์จิจะบริสุทธิ์ได้ต้องสมาทานสีนบำเพ็ญศีลจิตจะสะอาดหมดจดได้ต่องภาวนาเจริญปัสสาวานเพงกายกายเวทนาสิธรรมทานเนี่ยมีสามระเภทติตธรรมสำหรับทานปฏิบัติ ทางข้อตอนคือให้ดูเชื่อไม่เป็นลาวให้ไปอย่างนั้นให้ตายหวังผลแล้วตาแทนได้ดูว่าตัวตอนให้แต่ตัวเราหรือให้เพื่อหวังผลจะแลกเปลี่ยนกันตอน้งองทานข้อตัวอย่างกลางให้แล้วไม่หวังผลตาแทนแล้วไม่ต้องตามอันใดอยู่ตอ่อไปให้แล้วประหลดกันาม ไม่เจดไม่จําไม่จำไม่จด ไ, ไ, ไม่จดไม่จําเพราะห่าทานนันไม่หลังผลตอบแทนทางขั้นสูงของภาวนาจะบาเป็นจิตภาวนาแล้วจิตก็าใสสะอาดบริสุทธิ์านก็บริสุทธิ์จตนาออกมาก็บริสุทธิ์ถ้าจิตใสสะอาดเพาะเรามามาเป็นศูนปฏิบัติกรรมฐานจิตใจก็สูงขึ้นไปตามมอยากของฌาน สามารถจะกำจัดความเครื อ, จอดอาออจากตัวได้ย่ังผลไปสู่มรรคผลจากสมบั ต, มติมนุษย์เหวี่ยงจากสมมนุษย์สมบัติวังผลไปถึ ง, งควัมสมบัติจุดมุ่งม า, ากกาธนานิพพานสมบัติได้เหมือนอย่างที่พระพุทธจ้าเคยบัญชาเป็นประโยชน์งปดนดนนามยวังผลใดๆข่างเครื่องสรุปพิมพาพรก็ตอบให้ไปได้ ร้ า, าพามังกรจะอยู่ดวง ท, ทุกษาะแผ่ให้ไปเพื่องทุกอย่างให้หมดที่หลังผลพระโพธิยามในนาคประตารด้ื่หน้าต่อไปไม่จำเป็นต้องแค่อะ้รนั้นแค่นายเนตรนายนาก็าให้เป็นฐานได้คลักออกไปได้เดวงจิตดวงใจกับสัอาจก็สามารถให้ฐานได้ เราตาข อ, ของข้าได้แต่พระพาลีากัญหาเบืองจุดเบงใจนั้นคล้ายอ ย, คยาคู่เพื่อกุบคึกเลื่อมคือวิจนาคือแม่สม ส, สิแต่สามารถใหทานไปได้เช่เดีวกอันนี้ทานท่านสูงที่สุดนะแล้วางการดีหลังครับฐานปุิยานในานาคต ก, ก, การเบื้องหน้าสิดต่อไปะทานจึงมีหลายประเภท ที่เรา ย, ยายช่างอาาัฐพาสไหวตับปาสไหวตะถินมีคนแย่งกันว่าอนยิสงของตะถิด่ดีหรือตัปาดีบางท่านก็ว่าตับปาอันยิสงของเถิงตะถิ่นบางท่านก็ว่าตะถิ่นเถิงตับปาไม่ใช่อยู่ทรงนัน้อยู่ที่เจต น, นาของท่านบางคนทำบุญมากมายตายกองแต่ไม่ได้บุญเลยจิตไม่มีสันมสุขใจไม่สบาย เรื่หัวใจทานน่าจะเพื่อได้ไหมแต่ทานไม่บำเพ็ญศีลโดยบำเพ็ญศีลภาวนาแล้วมันก็ไม่สามารถจะเพื่อได้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงบอกทำให้ครบสามวาระทานแล้วก็ศีลภาวนาะทานไล่ให้ ก, กันเพื่อไปเป็นธรรมดาแต่ศีนปฏิบัตินี่ก็ได้ตัวเอง มีภาวนาซึ่งก็จะเกิดเมื่อตาจะให้ทานท่านผู้ใดก็เอาของดีให้ของเสือจะไม่ให้ให้ดีก็ไปได้ดีต่อแทนมาให้ของเพื่อเขาไปก็ได้ของเพื่อต่อแทนมาถ้าทําให้เพื่อนเพลดตามกันหมดเหยียวตามวารล ะ, ละแล้วก็มือทานถิญญาภาวนาถ้าตป็ไหนมือสยาสายนั่งสงามแต่เป็นศูนย์นด้วยงา่ายศูก็เอาคามออกหน้า ถ้าหากว่าอัศฉรยาใสาไม่ดีไม่สนใจจะให้ท า, านไม่สนใจเม่ตาจะช่วยเหลือท่านผู้ใดก็มาสามารถจะเข้าถึงองค์สินดาแต่จึงเอาทานออกมากไปันดับหนึ่งขอที่พุ่งแห่งสองคือติดต้นตุขสนมือถึงมีสมาธิจิตใจก็สะอาดหมดสดทานของท่านก็บริสุทธิ์เบตนาก็บริสุทธิ์ ภาวนาเขาหยุดจตเดินไกผลภาวนาม น, นั้นก็ได้ผลผลทำตาชื่อการทำด้วยความตั้งใจทำด้วยสิตเป็นจัวผลทำด้วยอารมณ์ดีมีปัญญาไม่หวังผนจะแลกเปลี่ยนปฏิการใดสามารถให้ทานอันนี้อทึกผลให้แกดุดามรดาปุยญาตายายหรือผู้สิษตายจากโลกปลสือสมบูริยเพทหรือท่านจุติเย จะเปนบิดามันดาหรือญาตายายนี่จะเป็นญาติพี่น้องพ่องเดียวกันขายโดย้วยสุดเดียวกันก็นตามถวายสังฆทานให้เพื่อให้เจ้ากรรมในเยน็นเจ้เย็นในกรามทานั้นอาจก็ได้ดผลในปัจจุบันถ้าเจริญกรรมฐานเรืแล้วทานทาจะเห็นทันตาในอปัจจบันนั่นเอง เราไม่สามารถมาเพิมถึงสุขภาวนาได้ทานนั้นอาจจะราชอาจจะไม่ได้ผลทันทีแต่ประการใดฝึกนี่เป็นฝึกสอมมหาฝุกสอมหาฝึกสอนฝึกป่าเกิดเพื่อกระเดืองอหารไทยก็้สะอาดไม่ได้ทานนั้นจะส่งผลทันทีในปัจจุบันในขณะนั้นฝึกใจก็สบายฝึกใจก็มีความสุขหลกพระกาทุกขสมมาจตนาทุกประการ ขออนุโมทนาสาธุการแก่ผู้บวชเมธรรมปฏิบัติและเยียวยาผู้ถวายท่านทาในเอกาทนี้นะผมเป็นมหาบุกรัลดงบันดาที่ท่ารตั้งใจมาตั้งใจจะถยายทานให้แก่ใครพรือที่พบิดามันดาหรือผู้เปลวหรื้ตกยากไร่สีที่ไหนจะการใดหรือเจ้าเวรในตา ม, จตามเจ้าการเวร สนมารับส yeah! ่วนเอกของของเรานะบัดมียักเทพันเต๋อสังเถอเขื่อนนมขอบูชาพระพุทธเจ้าเ่วนทุตอขอถึงพระสงฆ์เ่วนทมืองฐานขอถึงถึงถึงสงฆ์สงฆงธรรมที่ปฏิบัติกรรมฐานจะได้รับยินอนุโมทนาส่วนกุศลรับ้า่ใสเลื่อมตันคือประทานที่มีคุณสี่นั่นเล่าจะขอทานอนุุถึงเต๋อะเก จะเรืยงรับลายจะท่านหยดพบสมรับเฉิมานตามรูปเหมของท่านผู้บริจาคในเอกาศนี้พยายมห้า แ, แตไปขอเจ้าเวรเต้าตามจงให้เตสำคัเสียอย่าช่างเวรช่างตามต่อไปเลยจงดเวรลดต่ำอย่าจองเวรจองตามตามฐนะการโดยการอย่าจองเวรจองตามกับระก า, ารใดบริจาคสิดใจ ยศละความเพื่อจะเตือไปจะได้มีมโริมมีกรรมมีภัยต่อตัวเองต่อไปตัวเองก็บริสุิลาทาจากมึองสิงโษไปไหนก็สะดวกไปไหนก็สบายจอดภัยชีวิตก็ทับถึ้งแต่เมื่อชื่อถึงติดเตื้อท่านตายสุธานติละยายนาครบสามวัละสิดใจท่านจะได้เป็นมหาสุขอมจะไป ก, ก่องโหนตมลมได ทานผู้ปธิบัติทำได้ด้วยบริจาคทานด้วยเรียกลาได้ด้วยเป็นทั้งทายกเป็นทั้งทายุกาเป็นทั้งอุบาศกเป็นทั้งอุบาสิกาเป็นทั้งผู้ชุกกรเป็นทั้งวิทยากรเคลื่อนเครื่องกระบวนการแล้วจะไปเหนือมาใต้จะเกลียแทงเห็นกันเดินได้จะไม่ไปเสื่อมอันใดในโลกเกิดที่เราตายจะไปฌานแน่อนอนที่เด จะไปเกิดในถิามบ้านในมือบ้านเกถีมหาเศรีจะนมือซ้อสกแต่ตามจะการดูของจะไปเแทงโหนบดนใดประเทศถิ่นฐานใดจะมียะโงสาขนายาดเปน ก, กราบ์นบัณฑิตตลอดระตารจะมือกมือหลานกว่านอนสนง่ายจิตะตามละการที่สามจะไปเกแทงโหนบดบนใดประเทศถิมน า, ามใดก็ตาม จะตนมไปด้วยเยตุปราสาทพระราสาทจะเติมพรจาบาลอยู่ใกล้คิดมีคนอุปการละมีคนช่วยเหลือตลอดการเีลาประการที่สี่นั่นแหละาะไปเจอทงหินตะเดินได้ทำมือต่มหาวุกเรียนลายการศึกษาให้รู้โดยศึกษาเล่าเรียนและมีวิช า, า, าการในมาพรประการเบื้องหน้าศึกษาศประการที่ห้านั่นแหละ จะไปต่อแทงหงบบนใ ด, นดจะมีเครื่องเคลื่อนคร้อมด้ยวยมนุษย์ชนบัตรคล้องด้ยวยสวรรคบัตรนิพพานชบัตรอนานาคตุคภัยกระโดดกระบายอดไผทั้งน้าทั้งไฟเครื่องใช้บริขามเครื่องใช้ตามอันใดมือก็เรื่องกระเวนการไม่หยุดเนื้อเลื่อนใจจัดจ้ารใดจะทำอะไรก็ปลอดภัยในมืสะเหือยจางลายใน้อสุคภัย เมื่อที่เพื่อนทางจุตใจก็ได้มาสาัมาัที่นภยนาโคาอาัตเมศขณะสาบุกรารแต่คณะเจ้ภาพและผู้เบือดเนียนธรรมปฏิบัติในประพฤติศาสนาขอให้ชนทั้งหลายเข้าถึงจุทธธรรมเข้าถึงคำสอนของิระพฤตจญ า, จาี่ปฏิบัติได้ขอให้ปฏิ บ, บัติโดยสิทธต่ อ, นอเนื่องกันไปให้มันส เ, มเ ส, นสเมอเพ่นเสมอไป คนทําได้ทําดีไม่โดยดีนั่นคือดีกรรมบันคามหมายความว่าทำไม่เสมอเติมเสมอปลายทาความดีผุดสถานที่ทําการดีผุดเกิดบุทคาทำทำความดีผุดตามเวลาทําความดีไม่เสมอเติมเสมอปลายถ้าทาเสมอเติมเสมอปลายปฏิบัติกรรมฐานเสมอเติมเสมอปลายท่านจะได้รับผลอนุสงสมากปาิภนาดังเด็กจี้แกเพียงนาณบักน้ ขออนุโมนทนาการุการแก่ท่านทั้งหลายผู้ไข่ทำผู้ไข่บุญขอให้เคลื่อดหนุ่มโน้นเคลือนเสืเ่อให้ชีวิตท่านมีประโยชน์ในชีวิตในชีวิตอมีค่าเวลาจะได้มีประโยชน์ต่อชีวิตของท่านมีค่ามีราคาแพงโดยซี้ค่าราคาไม่ได้อย่าราคาเท่าไรไม่เหมือนเพชรมุ่งเจนดาวตีราคาตามสลับตจะราคาตามหนักบาต เป็นกัปที่ดุมือนแรนที่ดตจมือมือปราณแรงถังที่ดตจมือจะอยู่ได้โดยการจะเล่นเตเจะเลลัทนาภาษาพรสุกอบพายกอการจะเล่นล่งเรืองจงมีแต่ท่านทั้งหลายขอที่่านจงตะเล่นก็โดอายุยามาสุขภาพละปัจจุบันถนัดสารเชิญบัดไม่เชืจงหนึ่งประามได้สมมาจัดพงาด้วยกันทุกทุกนาม นา อ, อกาุกาสแบบนี้เพิ่ม